ในสมัยพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่หมีเรื่องเล่าจากวังหลวงถึงเชื้อพระวง์ซึ่งเป็นเจ้านายหลายพระองค์ที่ทรงมีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาอาคมสัมผัสที่6หรือด้านพลังจิต ไม่ว่าจะเป็นกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ผู้มีวิชาอาคมเป็นที่เลื่องลือพระองค์เจ้าเฉิดเฉมผู้มีสัมผัสรู้ล่วงหน้าหรือแม้กระทั่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ยังทรงเห็นวิญญาณอสูรและก็ผีพรายอยู่เป็นประจำค่ะอีกทั้งพระองค์หนึ่งก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าจันทรทัศน์จุธาธานกรมหมื่นวิวิตวันปรีชาซึ่งพระองค์นี้นะคะว่ากันว่าสามารถอัญเชิญเทวดาให้มาปรากฏเฉพาะพระพักให้ รัชกาลที่5ทอดพระเนตรมาแล้วในประวัตินั้นพระองค์ทรงเป็นพระราชะโอรสองค์ที่51ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ประสูติแต่เจ้าจอมมันดาโมดนะคะเมื่อวันอังคารที่11ธันวาคมพุทธศักราช 2,403 ในสมัยรัชกาลที่5ค่ะก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพยาบาลมีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการสิริราชพยาบาลจัดการศึกษาวิชาแพทย์ ควบคุมดูแลโรงพยาบาลอื่นๆแล้วก็ในรัชกาลที่6นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมค่ะให้ท่านดำรงตำแหน่งมหาอมาตตรีกระทรวงยุติธรรมและส่งสิ้นพระชนในสมัยรัชกาลที่7เมื่อวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2475ชนสราชนสาได้4จ็ปีค่ะทรงเป็นต้นราชสกุลจันทรัศน์นะคะสาหรับกรมมหมือนวิวิตวันสปรีชาทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิญญาณ ในสมัยรัชกาลที่5ท่านเองก็เคยส่งนิพนธ์เรื่องตำนานพระบรมสารีริกาธาตุแล้วก็พระอรหันตสาวกาธาตุที่วาด้วยการบันทึกลักษณะสันฐานแล้วก็การจาแนกพระธาตุและยังท่งนิพนธ์เรื่องเพชรในหินไว้ซึ่งได้กล่าวถึงศาสตร์เร้นลับทางวิญญาณแล้วก็ยังอธิบายความเชื่อในเรื่องของจิตไว้อย่างละเอียดค่ะ ความสามารถส่วนพระองค์ของกรมเหมือนวิวิดวันปรีชาเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่เจ้านายสมัยรัชกาลที่5ว่าพระองค์สามารถอัญเชิญเทวดามาปรากฏตัวได้พูดคุยด้วยได้เล่ากันว่าคราวหนึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าวเจ้าอยู่หัวได้จะทอดพระเนตรเทวดาค่ะก็เลยให้กรมเหมือนวิวิด ว, วันปรีชาเนี่ยทำพิธีติดต่อกับเทวดาภายในพระราชวังบางปะอินเพื่อให้เทวดามาปรากฏในห้องท้องพระโรงท่ามกลางความมืดและก็บรรยากาศอันขรึมขลัง ไม่นานนะคะสิ่งที่ปรากฏจนทำให้รัชการที่ห้าแล้วก็บรรดาเจ้านายทุกพระองค์ที่อยู่ที่นั่นถึงกับตะลึงงันนะคะก็คือทุกพระองค์ได้เห็นมือของเทวดาขนาดใหญ่ยื่นลงมาจากเพดานทองพระโรงเป็นมือเรียวงดงามซึ่งประดับด้วยอัญมณีแพรวแล้วก็ยังได้ยินเสียงเทวดาดังก้องทองพระโรงค่ะแต่ว่าไม่สามารถกาหนดได้ว่าเสียงนั้นมาจากทิศใด ส่วนเรื่องของการอัญเชิญเทวดาให้มาปรากฏท่ามกลางผู้คนจำนวนมากนี้ในสมัยต่อมาเมื่อปี2503ก็มีการพิสูจน์อีกนะคะโดยพระอาจารย์สาวิปัสนาผู้มีชื่อเสียงจากวัดพระาธาตุพนมวรมหาวิหารหรือท่านเจ้าพระคุณพระเทพรัตนโมลีค่ะพระอาจารย์ท่านนี้ชอบเอาเด็กๆลูกชาวบ้านละแวกวัดอายุ 6-7 ปีมาบรรพชาเป็นสา ม, มนเณรแล้วก็ฝึกให้นั่งสมาธิ โดยท่านให้เหตุนะคะว่าเด็กเหล่านี้เป็นเด็กบรรนอกไม่ค่อยรู้เดียงสายังรู้เรื่องทางโลกและก็ชีวิตน้อยมากจิตใจยังบริสุทธิ์ซื่อตรงหัวอ่อนฝึกง่ายสอนง่ายเหมือนไม้อ่อนย่อมดัดง่ายพระอาจารย์จะสอนอะไรก็เชื่อไม่โต้เถียงหรือสงสัยหรือมอีวิจิกิจฉานะคะแล้วก็ในบรรดาเด็กเหล่านั้นค่ะก็มีเด็กชายวิจิตค่ะอายุ8ปีซึ่งมาบวชเป็นสามเณรได้เพียง3เดือนแต่ว่าฝึกสมาธิได้เร็วสําเร็จ บรรลุฌาน4หรือว่าจตุถะฌานฌานห้าฌาน4ี่นี้นะคะใครทำได้ก็จะเกิดแสงสว่างทางจิตได้อภินยาซึ่งสัมมาเนวิจิตก็ได้ถึงตาทิพแล้วก็ปุเพนิวาสานุสติญาณ น, นั่นก็คือฌานที่ทำให้ระลึกชาติได้ซึ่งในเรื่องของความมหัศจรรย์ทางจิตของเด็กน้อยวัยเพียงเท่านี้ถ้าไม่ปรากฏหลักฐานยืนยันก็ดูจะเป็นเรื่องเลื่อนลอยเหลือเชื่อ เรื่องทํานองนี้ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังปรากฏว่ามีในสังคม Facebook แล้วก็เว็บไซต์เกี่ยวกับพลังจิตเป็นที่ฮือฮากันก็มีการเล่าถึงเด็กชายวัยหขวบคนหนึ่งที่สามารถนั่งสมาธิไปเห็นเหตุการณ์ในอนาคตหรือว่าเป็นภาพมิติภพภูมิต่างๆมีการโพสต์บอกเล่าเรื่องราวมีการเตือนภัยเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งก็จะมีกลุ่มคนที่ติดตามเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมาก ความสามารถของเด็กนะคะคนที่ผู้ที่เขียนเรื่องนี้เล่านี้เนี่ยน่าทึ่งตรงที่เขาสามารถทำนายเหตุการณ์นในอนาคตที่ยังไม่เกิดในระยะใกล้ได้อย่างแม่นยำเอาแค่เรื่องเล็กๆก่อนค่ะเช่นว่าวันและเวลาจะเกิดอุบัติเหตุตรงไหนบริเวณใด ระหว่างรถอะไรกับรถอะไรจะมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตกี่คนซึ่งมาถึงเวลาก็เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อที่คุณพ่อของเด็กนะคะซึ่งท่านก็เป็นนักปฏิบัติธรรมนำมาเล่าให้เราได้ร่วมรับรู้และก็ภาคภูมิใจแทนที่เขาสามารถสอนให้ลูกนั่งสมาธิจนเกิดฌานได้อภิน ญ, ญาตั้งแต่วัยน้อยๆซึ่งทางนี้ก็คงต้องบวกกับบุญบารามีวาสนาของเก่าที่เคยทามาแต่เดิมด้วยนะคะ กลับมาที่สั ม, มนเณรวิจิตนะคะที่ได้เล่าครั้งไว้ว่าฝึกสมาธิเก่งกว่าใครจนกระทั่งมีการทดสอบโดยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านเจ้าคุณมาหลายปีก็เคยพาคณะมาทอดพระป่าบ่อยๆค่ะนายทหารกลุ่มนี้ก็ได้พาฝรั่งชาวอเมริกามา 3-4 คนมานมัสการท่านเจ้าพระคุณพระเทพรัตนโมลี ฝรั่งกลุ่มนี้ค่ะกาลังศึกษาค้นคว้าเรื่องวิญญาณและก็ไสยศาสตร์ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้ทราบกิติศัพท์นะคะว่าที่วัดพระาธาตุพนมเนี่ยมีสํานักวิปัสสนาที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็เลยอยากจะมาศึกษาหาความรู้ท่านเจ้าพระคุณประเทพรัตนโมลีก็ได้ทราบเจตนาแล้วก็มีความยินดีไม่ขัดข้องอะไรอยากจะรู้อะไรก็ขอให้บอกฝรั่งถามว่าที่วัดนี้มีการติดต่อกับวิญญาณได้จริงหรือท่านเจ้าคุณตอบว่าติดต่อได้จริง การติดต่อ น, นั้นมีอยู่2วิธีด้วยกันก็คือ 1. ติดต่อโดยการประทับทรงพญานาคราชเจ้าทั้ง7องค์ที่คุ้มครองรักษาพระทาตุพนม 2. ติดต่อโดยการนั่งสมาธิถอดจิตหรือกายทิพย์เมื่อฝรั่งอยากดูการติดต่อกับโลกวิญญาณทั้งสองวิธีนี้แต่ว่าเนื่องด้วยวันนั้นเป็นวันพระพญานาคราชเจ้าไม่เสด็จประทับทรงเพราะว่า จ, จำศีลภาวนาเป็นวัดปฏิบัติทางวัดก็เลยแสดงให้ดูได้เพียงวิธีเดียวคือการเข้าสมาธิถอดกายทิพย์ แต่ฝรั่งกลับไม่เชื่อค่ะว่าจะทำได้จริงท่านเจ้าคุณก็เลยเรียกสา ม, มเณรวิจิตมานั่งสมาธิแล้วก็ถามฝรั่งเหล่านั้นว่าอยากจะดูอะไรฝรั่งบอกว่าถ้าวิญญาณมีจริงขอให้แสดงตัวให้ดูต้องการเห็นกับตาตอนกลางวันแสกๆนี่แหละท่านเจ้าคุณตอบว่าที่วัดพระาธาตุพนมนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีเทพพดาจากสวรรค์ชั้นฟ้าต่างๆมานมัสการอยู่เสมอโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันพระเทวดามากันมาก พวกพญานาคครุตยักษ์ก็ชอบมาท่านก็เลยให้สา ม, มเณรวิจิตเนี่ยติดต่อดูว่ามีวิญญาณใดบ้างอยากจะมาร่วมสนทนากับมนุษย์และแสดงตนด้วยจิตเป็นกุศล สัมมาเนนนั่งหลับตาทำสมาธิเพียงครู่หนึ่งก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็บอกนะฮะว่าเวลานี้ที่ลานพระาธาตุพนมเนืองแน่นไปด้วยหมู่มวลเทพพญดานางฟ้ามากมายที่มาชุมนุมนมัสการองค์พระาธาตุแต่ละองค์มีรมัศมีสีแสงปล่อยเปล่งออกมาจากร่างกายสีต่างๆแพร์ล า, ายล้านหูล้านตาไปหมดสวยงามยิ่งนักสัมมาเนนก็เลยได้ถอดกายทิพย์เข้าไปหาเทพพญดาองค์หนึ่งแล้วก็แจ้งความประสงค์ให้ทราบ เทวดาองค์นั้นเมื่อทราบว่าท่านเจ้าคุณขออัญเชิญก็มีความยินดีไม่ขัดข้องได้มาปรากฏตัวในห้องที่ประชุมค่ะแต่ว่าทุกคนไม่สามารถจะมองเห็นร่างได้เจ้าคุณจึงถามเทวดาว่าคุณนายทหารและฝรั่งในห้องนี้อยากจะเห็นเทวดาจะปรากฏร่างให้เห็นได้ไหม สมณเณรวิจิตหลับตาเข้าสู่สมาธิเพียงครู่หนึ่งก็ลืมตาเทวดาบอกว่าไม่สามารถแสดงร่างในตอนกลางวันได้แต่ถ้าอยากจะเห็นจริงๆจะแสดงร่างให้ดูตอนกลางคืนและการแสดงตนให้มนุษย์เห็นนี้เทวดาบอกว่าหากไม่มีเวรกรรมเกี่ยวพันกันเทวดาจะมีความผิดมากทำให้กุศลเสื่อมเทวดาจะต้องไปบำเพ็ญภาวนาจำศีลอดอาหารทิพเป็นเวลา7ถึงวันเพราะฉะนั้น ขอให้มนุษย์ทำบุญอุทิศกุศลไปให้ด้วยได้จะได้ไหมท่านเจ้าคุณหันมาถามคณะนายทหารกับฝรั่งในเรื่องนี้นะคะก็ปรากฏว่าทุกคนมีความยินดีค่ะที่จะทำสั่งคานอุทิศ ส, ส่วนกุศลไปให้เทวดาจนกระทั่งเวลาผ่านไปทุกคนก็เริ่มที่จะได้กลิ่นดอกไม้หอมประหลาดฟุ้งกระจายภายในห้องเป็นกลิ่นดอกไม้ที่ทุกคนไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนในชีวิตกลิ่นนั้นหอมตลบอบอวนไปหมดค่ะแต่ว่าในขณะที่กําลังถกกันอยู่ว่ากลิ่นดอกไม้นี้มาจากไหน สายตาทุกคนก็มองเห็นกระถางทูบแล้วก็เชิงเทียนหน้าโต๊ะหมู่บูชากำลังลอยขึ้นจากพื้นอย่างช้าช้านะคะก็ทำเอาทุกคนตกตะลึงตาค้างค่ะกระถางทูบและเชิงเทียนนั้นลอยนิ่งอยู่อึดใจหนึ่งก็ลอยต่ำลงมาพื้นดังเดิมท่านเจ้าคุณก็เลยถามฝรั่งลา่าผ่านล่ามนะคะว่าเชื่อแล้วหรือยังว่าวิญ ญ, ญาณเนี่ยมีจริง ด้านฝรั่งก็ยังไม่เชื่อสนิทใจคิดว่าทางวัดเนี่ยเล่นกลซ่อนแม่เหล็กไว้ใต้กระถางทูปและเชิงเทียนท่านเจ้าคุณก็ยินดีให้พิสูจน์ต ร, รวจสอบดูอย่างละเอียดแต่ก็ไม่พบอะไรค่ะคืนนั้นฝรั่งแล้วก็คณะนายทหารก็ไปประชุมกันบริเวณลานพระาธาตุตามนัดหลังจากจุดทูปเทียนถวายดอกไม้สดบูชาองค์พระาธาตุแล้วได้เวลาห้าทุ่มตามนัดค่ะทุกคนที่อยากจะพิสูจน์เรื่องวิ ญ, ญญาณต่างเฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อ รอบรอบบริเวณวัดคืนนั้นเนี่ยเป็นคืนเดือนแรมก็คือเป็นคืนเดือนมืดนะคะมีเพียงแสงสว่างจากดวงไฟสตา์สา่สองลงมาทำให้มองเห็นหน้ากันได้ไม่ค่อยชัดนั ก, ก น, นะคะบริเวณลานพระาธาตุพนมเงียบสงัดวังเวงค่ะประตูวิหารทุกด้านถูกปิดหมดเพื่อป้องกันคนภายนอกเข้ามาพลุกพล่านสา ม, มาเณรวิจิตเข้าสมาธิอยู่ครู่หนึ่งก็ลืมตาขึ้นมาบอกว่า เวลานี้เทพยายดานางฟ้าชุมนุมนมัสการพระธาตุเนืองแน่นไม่แพ้ตอนกลางวันเลยเทวดาองค์ที่จะแสดงตนปรากฏให้เห็นในคืนนี้ก็มาแล้วเช่นกันขอให้ทุกคนจงมองออกไปทางทิศตะวันตกข้ามประตูวิหารคตออกไปที่ต้นพระศรีมหาโพลฝรัง่งแล้วก็นายทหารมองไปทางต้นพระศรีมหาโพค่ะปรากฏว่ามองไม่เห็นอะไรก็คือมองเห็นอะไรไม่ข้อถนัดนะฮะเพราะมันมืดมากแต่ว่าทันใดนั้นเองทุกคนก็ต้อง เบิกตาโพลงด้วยความตื่นเต้นค่ะเมื่อเห็นกลุ่มหมอกสีขาวลอยพวยพุ่งขึ้นใกล้ๆยอดพระศรีมหาโพธิ์ทำให้มองเห็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ได้กระจ่างคล้ายแสงจันทร์สาดส่องกลุ่มหมอกนั้นก็ได้เปล่งแสงสว่างขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พลันปรากฏร่างของมนุษย์ผู้ชายคนหนึ่งอยู่กลางกลุ่มหมอกนั้นมองเห็นได้ชัดเจนทั้งที่อยู่ในระยะห่างประมาณ20วานะคะ รูปร่างสูงใหญ่กว่าคนธรรมดาประมาณสเท่าชายคนนั้นแต่งกายแบบคนโบราณค่ะหน้าตาผิวพรรณดีมีสง่าราศีเป็นชายวัยกลางคนลักษณะมีบุญบารมีทั้งยังมองมายังทุกคนที่อยู่ในนั้นด้วยท่าทีมีมหมตรีจิตฝรั่งบางคนได้สติยกกล้องถ่ายภาพขนาด16มิลลิเมตรใช้ฟิล์มพิเศษถ่ายภาพมหัศจรรย์ของเทวดานี้ไว้ภาพเทวดาลอยนิ่งอยู่ในกลุ่มหมอกควันประมาณ5นาทีจึงค่อยๆจางหายไป ฝรั่งทั้งกลุ่มนี้ตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าทำการค้นคว้าเรื่องวิญญาณมาสิบกว่าปีเพิ่งจะได้เห็นวิญญาณแสดงร่างปรากฏให้เห็นชัดเจนก็วันนี้นี่เองเป็นการเห็นกายทิพย์ของเทวดาที่ถือเป็นบุญตาซะด้วย จากนั้นก็เป็นการสัมภาษณ์เทวดาโดยให้สัมมาเ น, นวิจิต เ, เข้าสมาธิเพื่อสอบถามปัญหาที่ฝรั่งข้องใจอยากรู้ซึ่งเทวดาท่านก็ได้ตอบคำถามผ่านสัมมาเ น, นวิจิตได้อย่างน่าสนใจมากฝรั่งถามว่าวิญญาณของท่านมาจากไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรเทวดาตอบนะคว่าเราเป็นเทวดาอยู่ชั้นจัตุมหาราชิกาเทวดาชั้นนี้มีหลายจาพวก เช่นพฤกษะเทวาอาศัยอยู่ตามต้นไม้และต้นพืชต่างๆคงคาเทวาก็อาศัยอยู่ตามแม่น้ำลาคลองหนองบึงมหาสมุทรเทวาก็อาศัยอยู่ในมหาสมุทรภูมิเทวาอาศัยอยู่ตามพื้นพิภพแล้วก็ภูเขาอากาศเทวาอาศัยอยู่ตามเมฆหมอก พวกเทวดาชั้นจตุมหาราชิกานี้ใครเคยสร้างบุญกุศลไว้มากในสมัยเป็นมนุษย์ก็จะได้อยู่ตึกรามบ้านช่องใหญ่โตเรียกว่าปร า, ศ า, ศาสาทวิมานค่ะผู้สร้างกุศลไว้ไม่ใหญ่โตก็อาศัยบ้านเรือนตามอัตภาพมีความเป็นอยู่คล้ายโลกมนุษย์ทุกอย่างมีโลภมีโกรธมีหลงเหมือนกันอาหารที่กินก็เป็นอาหารทิพย์ที่เคยทาบุญตักบาทให้ทานในสมัยเป็นมนุษย์น่แหละนะคะใครทาบุญไวมาก ก็ได้อาหารดีๆมากใครทำบุญมาน้อยก็ต้องขออาศัยแบ่งปันจากเทวดาที่รวยบุญแบ่งให้กินนะคะอาหารทิพนี้พอนึกอยากกินก็จะมีขึ้นมาทันทีแต่ไม่ได้กินเข้าไปทางปากเหมือนคนเรานะเพียงแค่เห็นก็อิ่มแล้วและร่างกายก็จะสบายกระชุ่มกระชวยเมื่อฝรั่งถามต่อนะคะว่า พวกท่านไปไหนมาไหนได้อย่างไรเทวดาตอบว่าเราไปไหนมาไหนด้วยจิตคือพอนึกอยากจะไปไหนก็สามารถถึงที่นั่นได้ชั่วขณะจิตที่นึกอยากจะไปเพราะว่าเทวดามีร่างเป็นทิพย์ฝรั่งยังถามต่ออีกว่าเราจะติดต่อเทวดาหรือวิ ญ, ญญาณได้อย่างไรเทวดาตอบว่าติดต่อได้หลายทางเช่นเชิญเข้าทรงหรือติดต่อทางสมาธิ ผู้ที่มีสมาธิขั้นกลางๆ ก, ก็สามารถติดต่อกับวิญญาณได้และวิญญาณที่สร้างกุศลผลบุญไว้มากจะได้ไปเกิดในภูมิชั้นดีคือสวรรค์ที่จะติดต่อได้ง่ายแล้วก็ความทรงจําในสมัยที่ยังเป็นมนุษย์ก็ยังไม่ลืมเลือนแต่สําหรับวิญญาณที่ไปเสวยกรรมในอบายภูมิพวกนี้ติดต่ อ, อยากหน่อยติดต่อได้แล้วบางคนก็จําอะไรไม่ได้เพราะว่าได้รับความยากลําบากถูกทรมานมานานมากความทรงจําก็เลยเลอะเลือนหมด แล้วก็ในตอนท้ายค่ะคุณผู้ฟังเทวดายังบอกนะคะว่าที่ตอบมาทั้งหมดนี้เป็นความรู้เห็นเฉพาะภูมิชั้นเดียวกันคือจตุมหาราชิกาเท่านั้นส่วนเทวดาในภูมิสูงสูงขึ้นไปไม่สามารถจะรู้ได้ว่ามีความเป็นอยู่อย่างไรเรื่องของสวรรค์ชั้นฟ้านะคะเรื่องของโลกวิญญาณแล้วก็ความตายเล่ายังไงก็ไม่มีวันจบค่ะ พระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านได้มองเห็นแล้วก็ยืนยันค่ะว่าพบภูมิที่ตามนุษย์มองไม่เห็นนั้นมีจริงและมีอยู่มากมายมนุษย์เมื่อตายแล้ววิญญาณไม่สามารถดับสิ้นไปกับร่างหากแต่ยังสแสวงหาที่อยู่ใหม่ตามผลแห่งบุญแล้วก็กรรมที่เคยสร้างมานะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของเทวดานะคะว่ามีอยู่จริงค่ะจากบันทึกของท่านเจ้าคุณพระพรหมโมลีนะคะเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุพนมมหาวราวิหาร นะคะเมื่อปีพุทธศักราช2503ค่ะเรื่องที่บีจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี2535นะคะเป็นเรื่องของคุณเพชรค่ะที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพนะคะแล้วก็มาเจอผีหัวขาดแถวรามคำแหงนะคะ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 คำว่ากินเหล้าก็ไม่ใช่กินจนเมามายคุณเพชบอกตามต่างจังหวัดมีเพื่อนมีฝูงมาหาก็ยกข้าวมาให้กินพร้อมกับเหล้าซึ่งปกติคุณเพชบอกผมไม่ใช่นักดื่มนะครับแต่ว่ากับเพื่อนก็ดื่มกันนิดหน่อยพอไม่ให้น่ากเกลียดหรือว่าพอเป็นพิธีเท่านั้นแต่ก็น่าแปลกที่มองไปยังลูกของเพื่อนที่เล่นรถ3าล้ออยู่เห็นเป็นผู้หญิงแต่งชุดไทยผมยาวนั่งอยู่แทนที่จะเป็นเด็กของลูกเพื่อนแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่ได้เล่าให้เพื่อนฟัง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 ด้วยความตกใจกลัวนะคะคุณเพชรก็เลยแผดเสียงแสบแก้วหูหมอบก้นโด่งเอาหน้าซุกพื้นเพื่อนก็เลยตกใจสะดุ้งตื่นค่ะคื อ, อตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นท่าทางของคุณเพชร น, นี่ยอยู่ในอาการที่แปลกๆเรียกได้ว่ากลัวลนลานมีการมุดมีการเพ้อต่างๆนาๆนานะคะก็เลยเรียกคุณเพชร น, นี่จนได้สติก็ร้องแต่ว่าผีหลอกผีหลอกเ <ๆ S 1> พื่อนก็เลยถามว่าผีอยู่ที่ไหน